ได้เสด็จถึงพรามณคามเชื่อว่าถูนะของมลรกษัตย์ทั้งหลายพรามและเครหา บ, บดีชาวถูนะคามได้สดับข่าวว่าแนะ่ท่านผู้เจริญทั้งหลายพระสมณโคโดมสักยะบรเสด็จออกบวชจากสักยะตระกูลเสด็จจ า, ร, ร, าริกไปในมนลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จ ถ, ถึงถูนะพรามณคามโดยลาดับ พราหมณ์และเครือขาบดีทั้งหลายก็พากันเอาหญ้าและกแกลบบถมบ่อน้ำจนเต็มถึงปากบ่อด้วยตั้งใจว่าสมณะโลนทั้งหลายอย่าได้ดื่มน้ำเป็นแผนการของพราหมณ์กลุ่มหนึ่งไม่ต้องการให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยอยู่หรือว่าเสด็จมาณหามู่บ้านแห่งนี้นะ ได้ยินว่าในบ้านนั้นเนี่ยนะมีบอ่อน้ําแห่งหนึ่งคือเป็นเป็นหมู่บ้านที่มีบอ่อน้ําแห่งเดียวเป็นที่ใช้สอยของพวกพราหมณ์ใกล้ทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาณภ า, ายนอกสถานที่มีบอ่อน้ําและเบืงเป็นต้นทุกแห่งในที่นั้นเวนเ้นบ่อน้ํานั้นในคราวนั้นได้แห้งขาดไม่มีน้ําเลยเป็นบอ่อน้ําที่เดียวนะบรรพปิษุเยอะประมาณสี่ห้าร้อรูปเนี่ย ถ้าไม่มีบ่อน้ําจะอยู่กันได้อย่างไรครั้งนั้นชาวถูนาคามยังไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยแสดงว่า น, นี้เป็นถือว่าสมัยต้นๆแห่งพุทธการนะนะพุทธบาตรการในช่วงต้นๆหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ไม่นานนักาคนทั้งหลายก็ยังไม่รู้จักคุณของพระรัตนตรยัยเมื่อไม่รู้ก็ถูกความตรนีครอบงำนะก็คือกลุ่มที่กลัวจะเสื่อมลาภนะมัชยริยะกลัวตัวเองจะเสื่อมลาภ ก็เลยทราบมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาก็พากันคิดว่าถ้าพระสมณะโคดมพึงเข้าไปยังบ้านนี้อยู่สักสองสามวันจะทําให้ชนทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ในถ้อยคำของตนแต่นั้นธรรมของพราหมกก็จะตั้งอยู่ไม่ได้อันนี้เรียกว่าอะไรฤษยาเนฤษนะยาแล้วก็มัฉริยะมัฉริยะนี้ก็คือกลัวที่ตัวเองจะต้องเสื่อมจากลาบสการะ ขณะนั้นก็ไม่ต้องการให้พระสมณะโคดมได้รับลาบสการะไปมันก็เลยกระเสือกกระสนเพื่อไม่ให้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในที่นั้น mm hmm. จึงปรึกษาพร้อมกันว่าในบ้านนี้ไม่มีน้าในที่อื่นนะวิีแผนขับไล่นะทำยังไงไม่ให้พระพุทธเจ้ามาส่งเคราะห์หมู่บ้านนี้ได้ mm hmm. พวกเราจะกระทําบ่อน้ำโน้นไม่ให้เป็นที่สำหรับใช้สอย mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนั้นพระสมณะโคดมพร้อมด้วยสาวก จกไม่เข้าในบ้านนี้ดังนี้ก็ให้พวกชาวบ้านทั้งหมดตักน้ําตลอดเจวันก็คือสมัยก่อนเนี่ยวิธีการเดินทางก็เดินทางช้าๆใช่ไหมเมื่อเดินทางกันช้าๆเนี่ยข่าวว่าพระองค์เสด็จมาถึงโน้นถึงโน้นมันก็เตรียมการก่อนหน้านั้น7วันตักน้ําตลอดเจวันให้เต็มตุ่มเป็นต้นเสร็จแล้วก็เอาญ้าและเอากแกลบถมบ่อน้ํานั้นเรียกว่าเอาญ่าเอากแกลบถมบ่อน้านําให้เต็มจนถึงปากบ่อด้วยหวังใจไว้ว่า สมณะหัวโลนเหล่านั้นอย่าได้ดื่มน้ำในข้อหนึ้อหหน้า693ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแวะออกจากทางแล้วเสด็จเข้าไปยังโคนต้นไม้ต้นหนึ่งประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระนนจัดถวายครั้นแล้วก็ตรัสกับท่านพระนนว่าดูก่อน อ, อนนนเร็วเถิดเธอจงไปตักน้ำมาจากบ่อ น, นั้นเพื่อเรา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอนนท์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้บ่อน้ํานั้นพวกพราหมณ์และครหาบดีชาวถูนคามเอาหญ้าและแกลบถมจนเต็มถึงปากบ่อด้วยตั้งใจว่าสมณะโลนทั้งหลายอย่าได้ดื่มน้ําพระเจ้าข้ารู้เนี่ยเขาก็มีข่าวมีคนที่ส่งข่าวให้ทราบอยู่แม้ครั้งที่สองพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนอานอนท์เร็วเถิด เธอจงไปตักน้ํามาจากบ่อนั้นเพื่อเราพระนลก็ห้ามก็กราบทูลให้ทราบอีกแม้ครั้งที่สมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระนลว่าดูก่อนอนลเร็วเถิดเธอจงไปนําน้ํามาจากบ่อน้ํา น, นั้นเพื่อเราท่านพระนลก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถือบาตรเดินเข้าไปยังบ่อน้ํา น, นั้นลําดับนั้นแลเมื่อพระนลเดินเข้าไปบ่อน้ําล้นขึ้น ก็พาเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบอ่อเต็มไปด้วยน้ำใสแจ๋วไม่ขุนมัวจนถึงปากบอ่อดุดไหลไปขังอยู่คือปกตินี่จะต้องตักลึกหน่อยอะนะนี่ก็กลายเป็นว่าไปถึงก็ตักได้เลยลำดับนั้นแหลท่านพระนนทดำริว่าท่านผู้เจริญไม่เคยมีมาหนอความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก เมื่อเราเดินเข้าไปบอ่อน้ำนั่นแหลล้นขึ้นพาเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากปากบอ่อเต็มไปด้วยน้ำใสแจ๋วไม่คุณมัวจนถึงปากบอ่อดุดดุดไหลไปขังอยู่ท่านพระนนก็เอาบาตตักน้ำแล้วเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแล้วก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริ ญ, รรรรญไม่เคยมีมา ความที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเมื่อข่าพระองค์เดินเข้าไปบ่อน้ํานั้นแหลก็ล้นขึ้นพาเอาหญ้าและแกลบทั้งหมดนั้นออกไปจากบ่อเต็มไปด้วยน้ำสายแจว๋วไม่ขุนมัวจนถึงปากบ่อดุดไหลไปขังอยู่ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงดื่มน้ําเถิดขอพระสุคตเจ้าจงทรงดื่มน้ําเถิดพระเจ้าข้าลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึง ทรงแป่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าถ้าว่าน้ำเพิ่งมีในการทุกเมื่อใสบุคคลจะเพึงกระทําประโยชน์อะไรด้วยบ่อน้ําถ้าหากว่าน้ํามันมีอยู่ทุกหนทุกแห่งมีอยู่ทุกที่ไปหมดเลยนะขุดบ่อจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าตัดรากแห่งตันหาได้แล้วจะพึงเที่ยวแสวงหาน้ําเพราะเหตุอะไร ไอ้ตันหาที่เป็นเหตุให้ให้กระหายน้ำหรือว่าความต้องการน้ำด้วยอำนาจตันหาเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดขาดเสร็จสิ้นแล้วนะพระองค์จะเที่ยวหาน้ำด้วยอำนาจฉันทราคะทาไมเป็นตน้นนี่ก็เป็นคาอุทานว่าจริงๆแล้วพระองค์ใช้ให้พระอนุลไปตักก็เพื่ออยากจะให้เห็นพุทธานุภาพเป็นต้นนั่นเองนะไม่ได้ตรงนั้นขณะนั้นพระองค์ไม่ได้กระหิวนะกระหายน้ำอะไรหรอก ในอัถกถาหน้าหกรย่อหน้าล่างถ า, ถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ทรงคํานึงถึงอาการอันแปลกของพราหมณ์เหล่านั้นจึงตรัสอย่างนี้ว่าเธอจงนําน้ําดื่มจากบ่อนี้มาหรือว่าทรงคํานึงถึงแล้วจึงรู้คือสรุปว่าพระองค์รู้หรือไม่รู้ะนะที่ใช้ให้พระอานน์ไปตักน้ําตอบว่าทั้งทั้งที่ทรงทราบนั่นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพุทธานุภาพของพระองค์ฝึกพราหมเหล่านั้นทรมานโดยนี้คาว่าหมายถึงฝึกอนะไม่ได้ไปเคี่ยนไปตีอะไรหรอกคือฝึกพราหมเหล่านั้นเพื่อจะทำพวกเขาให้หมดพยศจึงตรัสอย่างนั้นไม่มีพระประสงค์จะดื่มน้ำด้วยเหตุนั้นนั่นแหละในที่นี้พระองค์ไม่ตรัสว่าเราเราหิวระหายเหมือนในมหาปรินิพานสูตร มหาปริณิพานสูตรเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์กระหายน้ำไปตักมาเธอชายอยู่สามครั้งพระนนจึงยอมไปเพราะว่าน้ามันขุนคือพระนนก็ตั้งใจว่าจะรออีกสักพักหนึ่งให้น้ำมันให้ใหน้ามันตกตะกอน ก, ก่อนน้ำจะได้ใสจะได้ตักมาถวายได้แต่ตรงนี้พระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์กระหายน้ำแต่ว่าให้เรีบไปตักน้ำมาเร็วพระธรรมพันดาคาริกเมื่อไม่รู้พระอัธยาศัยของพระาศาสดา เมื่อจะกราบทูลอาการอันแปลกที่ชาวถุนคามกระทำพระเถระนิทูลห้ามถึงสองครั้งในครั้งที่สามจึงคิดว่าพระตถาคตทั้งหลายหาได้ทรงกระทำการโต้ตอบถึงสามครั้งไม่พระองค์ผู้ทรงเห็นการยาวจักเป็นอันทรงเห็นเหตุจึงถือเอาบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เท้ามาหาราถวายแล้วไปยังบ่อนา้า เมื่อพระเทรากํำลังเดินไปน้ำในบ่อ ก, ก็บริบูรณ์ล้นขึ้นไหลไปรอบๆหญ้าและแกลบทั้งหมดลอยไปเองทีเดียวก็เมื่อน้ำที่ไหลไปนั้นน่ะล้นขึ้นข้างบนชลาลัยมีสะบกกรณีเป็นต้นทั้งหมดในหมู่บ้านที่แห้งขาดกลับบริบูรณ์คูบึงและที่ลุ่มเป็นต้นก็เหมือนกันเนี่ยน้ำก็เต็มเปียมไปหมดท้องถิ่นของบ้านนั้นทั้งหมดถูกห่วงน้าใหญ่เนี่ยท่วมทับ ได้มีเสมือนในเวลาฝนตกหนักดอกไม้ที่เกิดในน้ำไม่ว่าจะเป็นดอกโกมุตอุบลปทุมและดอกบุญทริกเป็นต้นผุดขึ้นในชลาลายนั้นๆแย้มบานบางังน้ำนกที่อาศัยน้ำอยู่มีหงนกกระเรียนนกจาาพราคนกกะลิงและนกยางเป็นต้นเมื่อฝนตกก็พากันส่งเสียงร้องครมในที่นั้นๆั้นชาวบ้านถูนคามเห็นห่วงน้าใหญ่นั้นล้นขึ้นอย่างนั้น สับสนไปด้วยคลื่นและระลอกโดยรอบคือน้ํำเนี่ยมันเกิดมากขึ้นเกินผิดปกตินะผุดขึ้นเป็นฟองงดงามตั้งอยู่โดยรอบพาการเกิดอาศาาัศจรรจิตไม่เคยมีมาจึงปรึกษาพร้อมกันอย่างนี้ว่าพวกเราพยายามเพื่อจะให้พระสมณะโคดมขาดน้ําก็ตั้งแต่เวลาที่พระสมณะโคดมนั้นมาห่วงน้ําใหญ่นี้ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นถึงอย่างนี้ พระสมณโคดมมีอิทธานุภาพถึงอย่างนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะพระสมณโคดมนั้นมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากข้อที่ห่วงน้ําใหญ่ล้นขึ้นท่วมบ้านของเราเป็นฐานะที่จะมีได้เริ่มกลัวตายแล้วคันเนี่ยนะตอนแรกก็ไล่ให้หนีก่อนตอนหลังเอาน้ามันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยท่วมบ้านเราตายกันหมดแน่เอาเถอะพวกเราจะต้องเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้พระสมณโคดมแสดงโทษที่ล่วงเกินแล้วขอขอมาพระองค์ นะไปขอโทษนะไม่ขอโทษเดี๋ยวเกิดน้าท่วมตายกันทั้งหมู่บ้านเลยชาวถูนาคามทั้งหมดต่างก็มีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกันเป็นหมู่คณะเดียวกันออกจากบ้านเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วบางพวกถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวบางพวกประคองอัญชลีบางพวกกล่าวคาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า บางพวกประกาศชื่อและโคดบางพวกวก็นั่งนิ่งก็แลกรั้นกระทำอย่างนี้แล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งทั้งหมดพากันแสดงโทษว่าแสดงโทษก็คือขอโทษณะนะพากันไปกล่าวขอโทษว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญดังข้าพระองค์ขอประทานพระวรกาศพวกข้าพระองค์นี้ก่อความเกียจกันน้าแก่พระสมณะโคดมผู้เจริญและสาวก ได้เอาหญ้าและแกลบทิ้งลงในบ่อน้นําน้นก็บ่อน้านั้นถึงจะไม่มีเจตนาก็เป็นเหมือนมีเจตนาเป็นเหมือนรู้คุณของพระโคโดมผู้เจริญทำหญ้าและแกลบทั้งหมดให้ออกไปเสียเองเกิดเป็นบ่อน้าบริสุทธิ์ด้วยดีก็ในสถานที่นี้ที่ลุ่มทั้งหมดเนี่ยนะเต็มไปด้วยน้าเป็นอันมากน่ารื่นรมย์ใจสัตว์ทั้งหลายพาการอาศัยน้ำนั้นเลี้ยงชีพ พากันยินดนนีขนาดพวกนกเป็นต้นยังรู้นะพวกสัตว์ยังรู้แต่พวกข้าพระองค์แม้จะเป็นมนุษย์ก็ยังไม่รู้คุณของพระสมณะโคดมจึงได้ก่อกรรมทำเข็นถึงอย่างนี้ดังข้าพระองค์ขอบรกาสขอพระสมณะโคดมผู้เจริญจงกระทาโดยที่ห่วงน้ำใหญ่นี้ไม่ท่วมทับบ้านนี้นที่มาขอโทษไม่ใช่อะไรเราก็กลัวเสียสารทรัพย์สิ น, น่ะนะ เพราะฉะนั้นขอให้พระองค์อดโทษให้แก่ข้าพระองค์ผู้ล่วงเกินด้วยเถิดเพราะความโง่เขลาว่างัน้นด้วยทรงอาศัยความอนุเคราะห์คืออาศัยใจกรุณานะอย่าให้ทุกเหล่านั้นได้ท่วมทับข้าพระองค์ทั้งหลายเลยคิดดูนะว่าคนที่ทำกรรมเหล่านี้เนี่ยถ้าชาตินี้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็แล้วไปหลังจากนั้นก็พ้นภยัยแต่ถ้าหากว่าไม่บรรลุเป็นพระเรียเจ้า ไปอยู่ที่ไหนนี่กันดานน้ำแน่เนี่ยนะเพราะกรรมที่ไปปิดน้ำเนี่ยนะไปถมบ่อน้ําห้ามไม่ให้พระพุทธเจ้าเข้านี่ก็ถือว่าเป็นกรรมที่หนักมากเนี่ยนะถือว่าหนักมากเลยแหละนันก็กันดา น, น้ําไปอีกหลายชาติแน่ไปอยู่ในที่ไหนที่ที่ตัวเองต้องเดือดร้อนในเรื่องน้ําอีกหลายชาติเพราะว่าวางแผนตัดน้ําพระพุทธเจ้าแล้วก็กรรมเหล่านี้ก็ได้ทําแต่นี้ว่าถ้าไปทํากับคนที่ไม่มีคุณ อันนหรือคนธรรมดาทั่วๆไปก็ต้องหนีไปแต่นี้ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยพุทธานุภาพเป็นต้นทำให้พระองค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่คนที่ทำกรรมนี่แหละจะเดือดร้อนต่อไปในอนาคตฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าเอาเถิดเราจะรับโทษที่ล่วงเกินพวกเธอเนี่ยนะที่เธอล่วงเกินตามความโง่ขเขลาเพื่อสังวรต่อไป คือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถึงพระองค์อดโทษให้อะไรอดโทษให้แต่เรื่องของเจตนาก็คือเจตนาตัวกรรมก็คือตัวกรรม น, นะนะเพราะกรรมนั้นได้สำเร็จไปแล้วล่วงไปแล้วแต่การที่ขอขมานั้น เ, เป็นข้อดีข้อดีของการขอขมาก็คือทำให้จิตใจนี้อ่อนน้อมขึ้นเมื่อจิตใจอ่อนน้อมก็จะเข้าไปใกล้พระองค์เมื่อใกล้พระองค์ก็จะได้ฟังธรรมก็จะได้เจริญกุศลอย่างอื่นอีกต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่ขอขมาเป็นต้นเนี่ยนะ การที่จะสังวรสํารวมระวังการที่จะเพิ่มภูมบุญกุศลก็โอกาสอันนั้นก็ลดลงไปหมายความว่าการขอโทษนั้นเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้เพิ่มภูมกุศลได้ในครั้งต่อๆไปแต่ว่าไอกรรมที่ทําสําเร็จแล้วก็คือสําเร็จไปแล้วนั่นแหละพระองค์ก็ทรงทราบว่าพวกนั้นมีจิตเลื่อมใสพระองค์ก็ทรงแสดงธรรม ตามความเหมาะสมแก่อัธยาศัยให้ยิ่งขึ้นไปพวกเหล่านั้นฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมีใจเลื่อมใสตั้งอยู่ในคุณธรรมมีสรณะเป็นต้นนะก็ถึงสรณะสมาทานศีนเจริญสมถะวิปัสสนาจนถึงบรรลุโสดาบันตามสมควรแก่อุปนิสัยพวกเขาก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักษิณแล้วหลีกไป ก็ก่อนแต่พวกเหล่านั้นจะมาท่านพระอนุนเห็นปาฏิหาริย์นั้นซึ่งเกิดอัศจรรย์จิตไม่เคยมีมาก็เลยเอาบาดไปตักน้ำน้อมเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลเรื่องนั้นบทว่าวิสันทันโตมันเยความว่าเมื่อก่อนคนต้องใช้เชือกยาวตักน้ำจากบ่อน้ำในเวลาที่พระเถระรับเอาบาดของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเดินไป เป็นเหมือนน้ำเนี่ยไหลออกมาจากปากบอ่อตั้งอยู่เสมอขอบบอ่อพอกาดื่มได้กาเนี่ยยืนปากบ่อแล้วก็ดื่มได้เลยก็คำนี้ท่านกล่าวหมายเอาการเกิดขึ้นแห่งน้ำในเวลาที่พระเถระเดินไปก็หลังจากนั้นที่ลุ่มทั้งสิ้นในบ้านนั้นก็ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำโดยนัยดังกล่าวแล้วในการก่อนก็ในที่นี้เป็นความสำเร็จ ไม่ใช่เพราะการอธิษฐานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพราะอนุภาพของเทวดาทั้งหลายคือพระองค์ไม่ได้เข้าฌานแล้วก็อธิษฐานบัรดาลให้น้ํเนี่ยมีขึ้นขณะเดียวกันก็ไม่ใช่อนุภาพของเทวดาโดยที่แท้เป็นบุญญอนุภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนอะไรเหมือนในคราวเสด็จจากกรุงราชครึกไปกรุงภัยสาลีเพื่อจะทรงแสดงรัตนปริทฉนั้น นะตอนที่พระองค์เสด็จไปเมืองไผ่าลีเนี่ยนะชาวเมืองราชครกก็จัดแจงหนทางหาระเบียบดอกไม้ของหอมเป็นต้นมาบูชาพระพุทธเจ้าตกแต่งตลอดหนทางพวกนาคทั้งอับก็มีการจัดเรือเนี่ยนะมีการยกฉัดเป็นต้นมีการทําพุทธบูชาจนถึงพรหมโลกชาวเมืองไผ่าลีก็จัดการต้อนรับเป็นอย่างดีอันนั้นก็ด้วยบุญแห่งตาเล็กน้อยที่พระองค์เคยกระทําเมื่อตอนเป็นสังฆพราหมณ์ นี่ก็เหมือนกันที่พระองค์เสด็จไปเนี่ยนะน้ำก็เอ่อล้นกลายเป็นที่ไม่กันดานแห้งแล้งไปด้วยน้ำอันนี้ก็ด้วยบุญของพระพุทธเจ้าที่พระองค์เคยสั่งสมมาดีแล้วเพราะน้ำนั้นเกิดด้วยพุทธานุภาพเมื่อพระนุนเนี่ยนะกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดให้พระองค์ทรงทราบ พ, พระองค์ทราบโดยอาการทั้งปวง กล่าวคือความสำเร็จที่ตนประสงค์โดยเว้นจากการอธิษฐานนั้นจึงเปล่งอุทานนี้อันแสดงเนื้อความนั้นบทว่ากิงกยิราอุทะปาเนนะอาปาเจยธิสัพพทาสิยงความว่าก็ถ้าหากว่าน้ำในที่ทุกแห่งพึงมีคือพึงเกิดแก่บ่อน้ำใดตลอดกาลทั้งปวง คือถ้าบ่อน้ํานั้นพึงเนื่องด้วยเหตุเพียงความหวังคือบ่อน้ํานั้นก็จะได้น้ําเหล่านั้นบุคคลพึงทําอะไรคือควรทําอะไรด้วยบ่อน้ํานั้นอธิบายว่าบ่อน้ําจะมีประโยชน์อะไรหมายคาอว่าถ้าหากว่ามีน้ําอยู่ทุกเมื่อทุกการทุกสมัยน้ําก็เยอะแยะไปหมดขุดบ่อทําไมใช่ไหมบทว่าตันหายะมูลโตเชตวากิศะปริเยสนันเจเรความว่า สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ทำบุญเอาไว้ถูกตันหาใดรัดรึงย่อมเดือดร้อนเพราะทุกในการไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็จริงนะว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีบุญเก่าไม่เคยสั่งสมบุญมาความที่ตัวเองไม่เคยมีบุญเนี่ยนะหรือไม่ได้สั่งสมบุญมาแต่ว่าตันหาความต้องการไม่ได้ลดน้อยลงความต้องการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ทีนี้เมื่อมากไปด้วยความต้องการแล้วคนไม่มีบุญเนี่ยจะสําเร็จตามความต้องการไหมคนไม่มีบุญนะต้องการอะไรก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการเมื่อไม่ได้อย่างที่ต้องการก็เกิดแต่ความทุกข์เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดคับแค้นทางทางใจก่อนในโลกนี้ไม่ใช่น้อยๆคนที่ทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จเลยทําอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเลยที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรก็เพราะตัวเองไม่มีบุญเก่า ไม่ได้เคยสั่งสมบุญมาก็อย่างที่รู้ว่าสมบัติในโลกนี้เป็นของผู้ที่มีบุญถ้าหากว่าเขาไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยนะถึงกระทำขนาดไหนก็ไม่สำเร็จผลขนาดเดียวกันบางคนมีบุญเก่าแต่ขี้เกียจอะบุญเก่ามีอยู่ละแต่ว่าขี้เกียจก็ต้องแบ่งประเด็นว่ากรรมบางอย่างเนี่ยนะวิบากแห่งกรรมดีบางอย่างอาศัยประโยค่าสมบัติจึงให้ผลถ้าไม่อาศัยประโยค่าสมบัติก็ ไม่ให้ผลแต่ทีนี้ถ้าคนที่เขาทำบาปไว้เยอะเนี่ยนะไม่เคยสั่งสมบุญเอาไว้ถึงจะประโยค่ขาขนาดไหนก็ไม่สำเร็จผลแต่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นเราเนี่ยนะตัดรากหรือที่โคนของตันหานั้นดำรงอยู่เพ่งเที่ยวสแสวงหาน้ำหรือสแสวงหาปัจจัยอื่นเพื่อเหตุอะไรหรือเพราะเหตุอะไร ก็หมายความว่าความต้องการด้วยอำนาจฉันทราคะในการสแสวงหาทุกอย่างของพระองค์ไม่มีแล้วกําจัดฉันทราคะกําจัดความต้องการความหิวโหยในวัต ถ, ถุทั้งหลายได้เสร็จสิ้นหมดแล้วซึ่งต่างจากหมูสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะต้องการสิ่งใดมันต้องการอย่างนั้นจริงๆแลยนะความต้องการโดยมากเนี่ยท่ามไม่ได้แล้วเสียใจะนะเป็นความต้องการที่รุนแรงถึงขนาดว่าถ้ามไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็จะ ไม่สบายใจแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยตัณหาเป็นเหตุให้ต้องการไม่มีสำหรับพระองค์ก็น่าคิดว่าทำไมพระองค์จึงไม่ต้องการหลายท่านก็บอกว่าอา้าวเพราะพระองค์ไม่มีตัณหาแล้วทำไมพระองค์จึงไม่มีตัณหาก็เพราะพระองค์มีอรรยมรักแล้วทำไมพระองค์จึงเจริญอรรยมรักก็เพราะเห็นโทษของตัณหานั่นแหละจึงเจริญอยมรักพระรู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดการ สแสวงหาเป็นต้นกับตันหาเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นนะมันทํางานสองอย่างพร้อมกันตันหาที่เกิดขึ้นนะอันหนึ่งเมื่อตันหาเกิดขึ้นทําให้เกิดการสแสวงหาเมื่อมีการสแสวงหาได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าพวกที่หาได้ก็เรียกว่าลาบทะลาบก็เกิดการวินิจฉัยตกลงใจเป็นต้นตลอดจนถึงที่มาของการทะเลาะเบาะแหวงกันอันหนึ่งขณะที่ตันหาตัวนั้นแหละเกิดขึ้นทํากิจ เชื่อมกรรมให้มีผลเชื่อมภพเอาไว้กับภพเบชื่อมวัตตะเอาไว้กับวะตะัตตะเพราะฉะนั้นตัณหาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นทำความปรารถนาในปัจจัยทั้งหลายตัณหาตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดการสแสวงหากับเป็นต้นเหตุให้เกิดวัตตะสรุปจะเกิดตัณหาจะเป็นปัจจัยแก่การสแสวงหาก็ตามก็จบลงด้วยความทุกข์เหมือนกันถึงจะเป็นเหตุแห่งวัตตะก็จบลงด้วย ความทุกข์บุคคลเมื่อเห็นโทษของตัณหาจึงประพฤติพรหมจรรย์จึงประพฤติศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เพื่อกำจัดตัณหาเหล่านั้นนั้นถ้าหากว่าตัดตัณหาได้เด็ดขาดเพราะเห็นว่าตัณหาคือมูลเหตุแห่งทุกข์ตัณหาคือปัใจจัยแห่งทุกข์ตัณหาคือนิทานแห่งทุกข์เมื่อรู้ว่าตัณหาเป็นสาเหตุ ข, ของวัฏฏทุกข์โดยประการทั้งปวงก็หมั่นอบรมอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคเมื่อเกิดขึ้นก็ประหาร ฉันธราคะประหารตัญหาได้อย่างเด็ดขาดผู้ที่ตัดตัญหาได้อย่างเด็ดขาดแล้วเนี่ยนะจะต้องการปัดใจเพื่อเหตุอะไรนะจะต้องการปัดใจเพื่อส่งเสริมวัตตะไปทาไมประมอีกอย่างหนึ่งบทว่ามูลโตเชตาความว่าตัดตัญหาได้ตั้งกับรากตัญหามีอะไรเป็นรากอวิชชาเป็นรากแห่งตัญหามันตัดตันหาก็เริ่มตัดตั้งกรากคืออวิชชา อธิบายไว้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงดำริถึงบุญญะสมผานทั้งสิน้นอันหาประมาณไม่ได้เพื่อพระองค์ น, นะบุญที่พระองค์ทำทั้งหมดนี่ทำเพื่อตัวเองใช่ไหมบอกไม่จำเดิมตั้งแต่ตั้งความปรารถนาใหญ่อันเป็นมูลแห่งพระโพธิญาณพระองค์ก็บำเพ็ญโดยน้อมไปเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกอย่างแท้จริงจึงตัดตันหาได้ตั้งแต่รากพระองค์นี่จะทรงเที่ยวสแสวงหาน้าเพื่ออะไรคือเพราะเหตุไร เพราะผู้มีตัณหาเป็นเหตุเป็นตัวเหตุไม่มีการได้สิ่งที่ตนปรารถนาแต่ชาวถูนาคามเหล่านี้เป็นผู้บอดเคา้าไม่รู้เหตุนี้จริงได้กระทำอย่างนี้ะนะมีบางแห่งกล่าวถึงว่าการสงเคราะห์สัตว์โลกผู้มากไปด้วยพาลชนเนี่ยนะถึงไปช่วยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะยอมให้ช่วยง่ายๆชั้นใดก็ดีใครที่มีลูกเวลาเลี้ยงลูกอาจจะรู้ดีนะไม่ใช่ว่า จะทำอะไรเพื่อประโยชน์แก่ลูกแล้วลูกจะยอมง่ายๆใช่ไหมมันพยศมากเหมือนกันนะลูก่างกันฉันใดก็ดีมูสัตที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไปสงเคราะห์ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยในขนาดไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื่อกูลแก่เขาแต่ขนาดนั้นเขาก็ยังตัดเรียกว่าตัดเหตุที่จะไม่ให้พระพุทธเจ้าสงเคราะห์เขาได้จริงๆแต่ก็มีหลายคนที่อยู่ในที่นั้น ที่มีบุญมีวาสนามีอุปนิสัยพอที่จะตรัสรู้ได้พราะอุปสรรคเล็กน้อยอันนี้ก็แทบจะไม่เรียกว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาอะไรแต่ให้เห็นว่าหมู่สัตว์ที่อยู่ในวะตะัตฏะเนี่ยนะถึงจะรอการช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่ขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยเหลือกันได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดเพราะเห็นแก่ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะเพราะเห็นแก่ วะตาเนี่ยนะวะตาเนี่ยพระองค์บอกว่าสังกิเลสิกะธรรมโตเป็นสาเหตุแห่งสังกิเลสเนี่ยนะเป็นสาเหตุแห่งความเศร้ามองเป็นสาเหตุให้เกิดการทําชั่วเป็นต้นถึงเขาเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็ยังกรุณาต่อเขาก็ช่วยเหลือเขาจนสําเร็จตามสมควรที่ควรแก่การช่วยเหลือ